ได้เจอกับเธออีกครั้งอยากทักทายไปว่าเราจะทานกัน ไม่เปลี่ยนไปอาจเพราะฉันยังไม่ลืนมทำให้คืนนี้มันยิ่งดูเงาในข้างเธอนั้นมีเขาคนที่เธอเลือกแล้ ว, วใช่และเธอได้ถามฉันเป็นยังไงไม่ได้เจอกันสบายดีไหมเธอแค่ถามเพราะความห่วงใยหรือ ที่เธอเลือกแล้วใช้และเธอได้ถามฉันเป็นยังไงไม่ได้เจอกกันสบาย กจะไปยดีไหมเธอแค่ถามราะความหม่วงให่หรือแค่ถามไปอย่างนั้น